วัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการที่พระพุทธเจ้าทรงจาแนกแสดงทำทั้งหลายในแง่ของความเป็นาธาตุนั้นนอกจากจะจาแนกเป็นาธาตุถูกคือดินน้ำลมไฟอากาศปิญญาและจาแนกเป็นาธาตุ8 คือญาตนณะภายในหกภายนอกหกวิญญาณหกแล้วยังได้ทรงจำแนกในแง่ที่เป็นธาตุด้านกุศลและอกุศลไยด้วยในชุดนี้ทรงจำแนกไว้เป็นหกธาตุด้วยกันแต่ธาตุเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นนามธรรมซึ่งมีเชื้ออยู่ภายในใจของบุคคลแต่ละคน คู่แรกทรงใช้คำว่าการม า, าธาตุกับเนตรคำมาธาตุซึ่งเป็นาธาตุที่ตรงกันข้ามมีการต่อสู้กันภายในจิตใจของบุคคลส่วนการม า, าธาตุนั้นคือเชื้อความรักใคร่พอใจยินดีต้องการปรารถนาในอารมณ์ต่งตางๆเมื่อแกมีเชื้ออยู่เช่นนี้แล้วพอบุคคลประสบ กับสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับเชื้อในลักษณะนี้ใจของบุคคลก็จะถูกผลักดันด้วยเชื้อสายของกรรมธานให้มีการกำหนดหมายในอารมณ์เหล่านั้นในแง่ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ซึ่งก็เป็นการเพิ่มเพิ่มปริมาณของความรู้สึกรักใคร่ยิตดีในอารมณ์ต่างๆให้กระจายตัวเองออกไปเมื่อมีเชื้อคือธาตุดูเช่นนี้ใจของบุคคลก็จะมีการจำหมายอารมณ์บางอารมณ์ไว้ว่าอารมณ์นี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อมีการจำหมายไว้ก็จะมีการคิดถึงมีการดมรีถึง เรื่องเหล่านั้นจะไปบ่อยซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะวิเคราะห์สวจสอบที่ใจตนเองได้ว่าการกำหนดหมายอารมณ์พระน่านรักใคร ย, ยินดีเป็นต้นนั้นจิตจะมีการตรึกนึกครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งทุกครั้งที่ใจเป็นเหี่ยวนึกนั้นท่านเรียกว่าเป็นสังกัปปะ กามาสังกปะดำมริถึงในแง่ของความใคร่ความพอใจความยินดีเมื่อปริมาณของความพอใจสูงขึ้นก็กลายเป็นการมาฉันทะซึ่งมีลักษณะเป็นนิวร์คือการกำหนดรักใคร่ยินดีในอารมณ์นั้นๆเมื่อ ใ, ใจของบุคคลไปกำหนดมากขึ้น ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นความเร่าร้อนด้วยแรงกระตุ้นของกามาชันทะในชั้นนี้ก็คืออาการที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมงใจของบุคคลเป็นิวบอลข้อแรกที่สรงสอนให้ส ง, งบด้วยกรรมวิธีหลายๆอย่างในชั้นของสมถาากรรมฐานนั่นก็สงสอนให้ส ง, งบความคิดในแนวนั้นด้วยสมาธิ คือการสงบใจจากอารมณ์มันเป็นค่าศึกแก่ความสงบใจแต่เมื่อปล่อยให้แกร้อนมากเข้าจิตใจก็จะสายไปในอารมณ์ที่ใคร่ราอารมณ์ที่ใจของบุคคลใคร่นั้นไม่มีเพียงอย่างเดียวก็จะสายไปด้วยประการต่างๆที่ท่านเรียกว่าปริเยสนะคือการสวงหั ต่อแต่นั้นก็จะบังคับอาการทางกายทางวาจาของบุคคลในเคลื่อนไหวไปตามแรงดันของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนลักษณะการสายไปในแนวนี้จาบใดที่ยังสายอยู่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในขอบข่ายของกิเลสประเภทตัณหาคือความทยานอยากกรนี้พึงสังเกตว่า บางครั้งบางคราวเวลาไปซื้อหาจับจ่ายสิ่งของในตลาดใจไปกำหนดวัตถุที่น่าซื้อน่ายินดีไว้หลายชิน้นแต่อำนาจในการซื้อมีไม่มากพอใจก็สายก็สายไปเรื่อยๆยังไม่ปักใจลงไปในวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งใจก็สายไปอย่างนั้น บางครั้งเกิดความสับสนในใจมากก็ตัดใจไปไม่ได้ตัดสินลงไปไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรดังนั้นบางเวลาคนเราต้องสูญเสียไปเพราะการตัดสินใจไม่ได้เพราะการเลือกเพราะการต้องการที่ดีมากเกิดไปแต่เมื่อได้แล้วมันก็กลายเป็นความยึดที่เราเรียกว่าอุปาทาน ก็ออยึดถือในวัตวัตถุที่ใครนั่นเองว่าเป็นของเราก็จะมีการชื่นชมยินดีในวัตถุเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกหวาดระแวงกลัวคนอื่นก็จะรู้กลัวจะยื้อแจ้งกลัวจะรักขโมยไปทาให้มีการป้องกันมีการรักษาในเรื่องเหล่านั้นแต่ก็ใครมาละเมิด ก็มีการต่อสู้มีการป้องกันอย่างเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นกันนี่ก็เริ่มต้นมาจากเชื้อที่อยู่ลึกที่สุดคือการมาธาตุจากเชื้อคือการมาธาตุที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางจิตของบุคคลรัชนีญาติกรดนั้นทำให้การดำรงชีวิตประจําวันของบุคคลเหล่านั้นมีปัญหา จะสายไปในอารมณ์ที่ใคร่อยู่เรื่อยๆกําหนดหมายรูปภัยรูปสวยเสียงภัยเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องอยู่เรื่อยไปเมื่อมีการกําหนดหมายเช่นนี้มันก็อยากดูอยากฟังอยากดีมอยากถูกต้องการสํารวมระวังอินทรีย์ก็ไม่เกิดเพราะเห็นรูปก็อยากดูได้ยินเสียงก็อยากฟังได้กลิ่นก็อยากสูดดมได้รสเห็น รู้รสก็อยากกลิ้นิมเห็นสิ่งของต่างๆก็อยากจับต้องซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์คือจะเป็นรูปก็จะไม่อิ่มในรูปจะเป็นเสียงก็กำหนดเพลิดเพลินอยู่ในเสียงจะเป็นกลิ่นก็กำหนดเพลิดเพลินในกลิ่นจะเป็นรสก็กำหนดเพลิดเพลินอยู่ในรสซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบอีกมาชั้นหนึ่งคือการไม่สํารวมในการบริโภคภัตนาหารหรือในการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง5ประการนั้นพรานักเข้านักเข้าก็รู้สึกกำนัดเพลิดเพลิพนยินดีในอารมณ์เช่นนั้นการที่จะต่อต้านความคิดในลักษณะจุดกระชากจิตไปสู่อํานาจแห่งอารมณ์ที่ใคร่ก็ไม่เกิดขึ้น ก็กลายเป็นคนย่อหย่อนเกียจคร้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในการมาเป็นเพียนทางจิตที่จะต่อสู้กับอารมณ์ในที่สุดใจของบุคคลนั้นจะมีความอ่อนไหวกับอารมณ์มากเม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์อะไรก็ตามเมื่อผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนแล้วจะมีความกระสบดรู้สึกกระทบแปง เมื่อกระทบแรงในด้านโลภะหรือด้านราคะพอวัตถุเหล่านั้นแกนเกิดเปลี่ยนไปมันก็ออกแรงในด้านโทสะจิตก็วิ่งวนกันอยู่ในแวดวงของกิเลสเหล่านั้นซึ่งพระบรมมีพระภาคเจ้าทรงอุปมา จ, จิตประเภทนี้ว่าเป็นเหมือนต้นไม้ที่เกิดใกล้ภูเขาขาดพอถูกลมกระโชกแรง ก็หักโค่นลงมาใจของบุคคลที่อ่อนเปรี้ยไปด้วยอำนาจของอารมณ์ที่น่าใครหน้ า, านะปร า, านาน่าพอใจก็มีลักษณะเช่นนั้นคือพอถูกกระทบมาจากภายนอกแม้เพียงเล็กน้อยก็อ่อนไหวไปตามอารมณ์มีความกำหนัดขัดเคืองโศกเศร้าเสียใจเป็นต้นตามสมควรแก่อารมณ์เช่นนั้น แต่วในขณะเดียวกันนั้นเราก็มีพลังด้านบวกคือส่วนที่ตรงกันข้ามที่ทรงใช้คำว่าเนคขมะทาตได้แก่เชื้อของความรู้สึกที่ประกอบด้วยสติปัญญาพยายามระลึกรู้เข้าใจสิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์มองได้ทั้งสองด้านคือด้านที่ มีการกำหนดหมายกันและด้านที่เป็นความจริงอันแท้ จ, จริงแต่ว่าจิตใจมักจะโน้มเอียงไปในด้านการพิจารณาในแง่ของความจริงของสิ่งเหล่านั้นการกำหนดหมายในลักษณะต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งตาเลียงในชั้นของความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่มีความเข้มข้นของความดีสูงขึ้นมันก็ได้เป็นชั้นเดียวกันเคือสายเนคขมาธาตุ คือเชื้อของความพอใจที่จะถ่ายถอดกายจิตของตนออกจากอำนาจของกิเลสกามและวัตถุกรรมทั้งหลายคำว่ากิเลสกามนั้นคือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ยินดีอาจจะเรียกว่าโรคอาจจะเรียกว่าตัณหาอาจจะเรียกว่าอุปาทานหรืออาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามแต่เป็นกิเลสประเภทที่ดึงเข้ามาหาตัวมีการกำหนดหมายวัตถุว่า น่าคลายนะปรารถนาน่ายินดีและกาหนดเป็นของเราหรือกาหนดว่าเป็นเราความรู้สึกกาหนดในลักษณะนี้ก็กระจายไปเรื่อยๆไปแต่เมื่อเชื่อทาดผิดแพกแตกต่างกันก็จะมีการกาหนดหมายในการที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนออกจากอำนาจของกิเลสและออกจากอำนาจของอารมณ์คือมองเห็นโทษ ความเล่าร้อนความทุกเวรภัยที่เกิดขึ้นจากการประพฤติกระทำไปตามอำนาจของกิเลสเช่นนั้นก็จะมีการกาหนดหมายอีกแนวหนึ่งคือแนวตรงกันข้ามวันนั้นเป็นความสงมบเป็นความดีงามเป็นการหลุดพ้นจากพันธนาการเครื่องปลุกมัดต่างๆใจของบุคคลก็จะดำรินึกถึงที่จะออกไปจากการแบบนั้น ครนี้ถ้ามองเป็นเชิงรูปธรรมแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภายในประไทยของพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัต ถ, ถนั้นมีเชื้อเนคขมธาตุอยู่สูงมากความโน้มเอียงหาความสงบนั้นมีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วในขณะที่คนทั้งหลายเพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์ในเรื่องราวที่สนุกสนานต่างๆ พระโทธิสัตว์มีพระชนเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเองมายอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นคือไม่อยากดูรูปที่คนอื่นเขาอยากดูไม่อยากฟังเสียงที่คนอื่นเขาอยากฟังไม่อยากดมกลิ่นที่คนอื่นเขาอยากดมเป็นต้นแต่มาปรีกพระองค์อยู่ส ง, งบนั่งสมาธิทำกรรมฐานอยู่ภายใต้ต้นว่านี่คืออะไรคือเชื้อของเนคขมาธาตุ ที่ออกมาจากการกำหนดว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นที่สงบเย็นจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายและมีการดํ m ฤิถึงบ่อยจะทำให้ฉกฉวยโอกาสเสริมสร้างความสงบให้แก่จิตใจของตนและจากตำนานที่ท่านเรียบเรียงเล่าไว้พอตามปกติแล้วพระองค์จะหลบไปอยู่ในสวนที่พระจบิดาสร้างไว้ให้ คนที่ติดตามไปก็ต้องอยู่ห่างๆพระองค์ใช้เวลาคิดไปในแนวเนคขับมากคือจะถานทายายถอนกายจิตของพระองค์ออกไปจากอำนาจของกิเลสกรมและวัตถุ ก, กรรมเพราะฉะนั้นเวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรก็ตามแทนที่จะรู้อารมณ์เท่าที่ปรากฏแต่พระองค์กลับมองอารมณ์เหล่านั้น ลึกลงไปถึงจุดที่แท้จริงของอารมณ์อย่างในกรณีของการเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่พูดว่าเป็นเทวทูตหนึ่งก็เป็นภาพปกติธรรมดาถ้ามีเชื้อในข่ขยการมาธาตุสูงคนก็จะไม่คิดถึงตนแต่คิดถึงคนอื่นว่าตายบางครั้งบางคราวก็อาจจะขยักขยัง่ง หวาดกลัวแต่พระโพธิสัตว์ตัดท่านกลับคิดอีกด้านหนึ่งว่าคนนี้แก่คนนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรก็คือเป็นเด็กมาก่อนแล้วพระองค์ก็โยงจากเด็กมาสู่ความเป็นคนแก่แล้วก็มาดึงเข้าหาพระองค์ดึงเข้าหาพระพิมพาพระเจ้าสุดโตธนะพระญาติวงของพระองค์ว่าถ้าอายุมาอยู่ในจุดนั้นมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันพอไปเห็นคนเจ็บ ก็ดึงเข้าหาพระองค์บ้าก็ต้องเจ็บพระพิมพาเองก็ต้องเจ็บพระชบิดาเองก็ต้องเจ็บแล้วมองคนอื่นว่าก็จะต้องเจ็บเหมือนกันพอเห็นคนตายก็มองมาจุดที่คนตายแล้วน้องก็มาหาพระองค์น้องไปหาพระญาติบงว่าทุกคนนั้นก็จะจบตรงที่ตายแล้วก็สืบจากจุดตายไปหาจุดเบื้องต้นของชีวิต มองว่าที่จริงนั้นตายก็มาจากเจ็บเจ็บก็มาจากแก่แก่มันก็มาจากเกิดเพราะฉะนั้นหัวหอกใหญ่ก็อยู่ที่เกิดทําอย่างไรจึงจะต้องไม่เกิดความคิดของเราในตอนนั้นมันก็มีเท่านั้นว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาเรื่องเกิดได้ถ้าไม่เกิดได้ก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะตัวเหตุใหญ่ก็อยู่ที่เกิด นี่ก็คือความคิดคำหนึ่งของพระองค์ที่เก็บสะสมเอาไว้มากพอไปสัมพันธ์กับอารมณ์ต่างๆแทนขีดที่จะคิดอย่างที่อารมณ์นั้นปรากฏก็จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบอารมณ์ทุกลักษณะอารมณ์เข้าถึงแก่นแท้ของเรื่องเหล่านั้นสิ่งที่พระองค์เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์จึงกลายเป็นบทเรียนเป็นครูพระงได้ทั้งหมดไป็นผัวเมียเขาทะเลาะ ก, กัน ตรงก็น้อมนึกเข้ามาไปพบการพลัดพลาดจากสมบัติสิ่งของก็น้อมนึกเข้ามาหาพระองค์น้อมนึกไปหาคนอื่นซึ่งมองเห็นเป็นเอกภาพคือความเป็นนันเดียวกันก็คนทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพราดมีการสูญเสียมีการต่อสู้มีการสร้างเวรสร้างกรรมการปรการต่างๆเพื่อชีวิตของตนเองอยู่รอดแล้วในที่สุด คนเราก็เป็นไปาตามเหตุที่เขาได้ประกอบกระทำเอาไว้ก็ทำให้เกิดเนคขามาชันทะคือความพอใจในการที่จะออกแต่ความพอใจกว่าจะถึงจุดที่ดึงโรงออกได้นั้นก็เริ่มความคิดมาตามหลักฐานปรากฏว่าตั้งแต่เจ็ดขวบ ออกได้จริงๆก็ออกได้เมื่อประชนมายุตั้ง20กส้าแล้วแต่อย่าลืมว่าอิทธิพลที่ก่อให้เกิดผลเป็นการออกของพระองค์นั้นเกิดขึ้นมาจากเชื้อของเนคขมธาตุจากการกาหนดหมายว่าสิ่งนี้เป็นความดีงามเป็นความสงบจากความความตึกนึกในแง่มุลต่างๆซึ่งเป็นเนคขมสังกัปปะแล้วก็กลายเป็น ความพอใจความยินดีในการที่จะออกจนในที่สุดแทนที่จะเกิดความเร่าร้อนมันก็เกิดเป็นความส ง, งบเจน็นด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาในชั้นของการสแสวงหาก็สแสวงหาแต่สแสวงหาในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ในเชื้อของการมธาตุที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏมาทางการสแสวงหานั้น เป็นการสแสวงหาที่ท่านเรียกว่าอนัติยะปริยสนาคือการสแสวงหาเรื่องที่ไม่ประเสริจตัวเองมีความแก่เป็นธรรมดากลับไปสแสวงหาความแก่เพิ่มขึ้นตัวเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไปแสวงหาความเจ็บไข้เพิ่มขึ้นตัวเองมีความตายเป็นธรรมดาไปสแสวงหาสิ่งที่ต้องตายต้องแตกทาลายเพิ่มขึ้นนั่นคือความคิดที่เกิดมาจากเชื้อของกามธาตุ แต่ว่าจากเชื้อของเนคขรรมาธาตุซึ่งเป็นเชื้อทรงกันครับเมืม่อเห็นว่าตัวเองนั้นมีความแก่เป็นธรรมดาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่เจ็บมีความตายเป็นธรรมดาก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายมีความโศกเศร้ารำไรรำพันด้วยประการต่างๆซึ่งเป็นทุกจรที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัว ความคิดสายนี้ก็จะมุ่งแสวงหาในสิ่งที่ทรงกันข้าบอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกความพิริพิไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจซึ่งเป็นวิสัยของชาวโลกเชื่อในคำอาถรรพที่ได้มีการเพิ่มภูนให้สูงขึ้นโดยลำดำับพอถึงจุดหนึ่งมันก็ออกได้อย่างจริงๆดังนั้นในชันนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงประเภทของคนที่เกี่ยวกับการออกจากกามเอาไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกนั้นคือไม่ออกทั้งกายทั้งใจที่เราเรียกว่ากามสุขานิการโยโยคือมีการกำหนัดเพลิดเพลินยินดีะระงงหลงทำทั่วทำผิดเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นข้ามูลเพราะกามเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้น ชีวิตจึงมากด้วยเวรด้วยภัยสมบุคคลผู้นั้นประเภทที่สองนั้นกายออกแต่จใจไม่ออกถึงหมายถึงผู้ที่หลีกเล้นออกไปอยู่ในเพศของนักบวชเป็นต้นแต่ว่าใจเองนั้นยังหมกมุ่นคลุ้นคิดไฝ่คว้าแสวงหาวัตถุกรรมอยู่เพราะมีกิเลสกรรมอยู่ภายในใจสภาพเช่นนี้ก็ไม่ค่อยจะมีผลดีอะไรแต่ก็มีผลดีกว่าพวกแรกเท่านั้นเอง เพราะอย่างน้อยกายก็ไม่ไปคลุกคลีในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดีเหล่านั้นประเภทที่สามนั้นเป็นการออกเฉพาะใจแต่กายไม่ออกซึ่งในกรณีนี้จะพบะาผู้ครองเรือนทั่วไปจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามแต่ว่ามีเสื้อของเนคขามาธาตุอยู่ก็จะอยู่ภายใน บ้านในเรือนนั้นเองเกี่ยวข้องกับบุคคลหน้าที่การงานตามภารกิจของตนที่จะต้องจัดจะต้องทาแต่ไม่เอาใจเข้าไปคลุกคล้าอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้าครอบงามีมอํานาจอิทธิพลเหนือใจตนก็จะอยู่ในโลกนั่นเองแต่จะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าไม่กําหนดหมายอารมณ์อย่างที่ปรากฏแต่จะมองทะลุอารมณ์เหล่านั้นคือเรื่องเหล่านั้นตามความเป็นจริง จะมีการสํารวมระหว่างอินทรีย์ไม่เห็นเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่พูดเสียบ้างถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวรแห่งภยัยแห่งกรรมแห่งความรุ่มหลงบมเอาต่างๆอย่างที่ท่านทําเป็นรูปของวานรสามตัวปิดปากปิดตาปิดหูไว้คือปิดปากเสียบ้างปิดตาเสียบ้างปิดหูเสียบ้าง เพื่อจิตใจของตนสงบในกรณีที่พูดไปแล้วจะเกิดความไม่สงบเห็นแล้วจะเกิดความไม่สงบได้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วจะก่อให้เกิดความไม่สงบถึงท่านพันนาไว้เป็นคํากลอนว่าปากเป็นปูหูตะกล้าตาตะกแกรง่งปากไม่แพ่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนาให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราว คือหมายความว่าต้องมีการกําหนดอารมณ์พระ้าอารมณ์เป็นข้าศึกต่อใจเท่านั้นเองจึงไม่ยอมดูไม่ยอมฟังไม่ยอมพูดแต่ถ้ามีความเกื้อกูลก็ต้องฟังต้องดูต้องพูดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นการสํารวมระวังอินทรีย์ดังกล่าว มีการรู้จักประมาณในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัจจัยเครื่องอาศัยดารงชีวิตทั้งหลายคือเป็นนายของปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตแทนที่จะปล่อยให้ปัจจัยเครื่องอาศัยชีวิตมาเป็นนายบังคับใช้ตนจะมีความเพียรพยายามในการที่จะต่อสู้กับพลังอีกด้านหนึ่งซึ่งเกิดมาจากเชื้อของกามาธาตุ มีความเพียรมีริเริ่มมีการกระทําที่สืบเนื่องติดต่อกันไปจิตใจของบุคคล น, นั้น mm hmm. ก็จะมีความมั่นคงสูงขึ้นไม่อ่อนไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบจากภายนอกในขณะที่คนอื่นกําหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบว่อเมาในอารมณ์ตนก็ไม่กําหนัดในอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่คนอื่นเขาขัดเคืองก็ไม่ขัดเคือง ในขณะที่คนอื่นเขาลุ่มหลงก็ไม่ลุ่มหลงในขณะที่คนอื่นเขามัวเมาก็ไม่มัมเมาแต่เราอยู่ใน่้ำกลางบุคคลที่มีความกำหนัดเครืองลุ่มหลงัวเมานั่นเองเหมือนกระดอกบัวที่อยู่ท้ำกลางโครนตรมแต่ก็ยกตนขึ้นพ้นจากโครนตรมเชนนั้นอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นเป้าหมายที่สูงสุดและแท้จริงคือกายก็ออกไปจาก วัตถุกรรมทั้งหลายจิตใจก็ไม่พัวพันหมกมุ่นครุ้นคิดไขวยคว้าแสวงหาวัตถุกรรมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะมาสงบระงับดับหรืออย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความรุนแรงของกิเลสกามลงไปได้แต่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นหมายถึงการดับพวกกรรมาธาตุลงไปได้ พลังทั้งสองนี้จะมีการต่อสู้กันภายในจิตเพราะเชื้อทั้งสองเชื้อนั้นก็มีอยู่ด้วยกันดังนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าบางครั้ง จ, จิตใจของตอนโน้มเอียงเข้าหาธรรมะได้มากนี่แสดงว่าเชื้อกรรมามธาตุก ร, รม เ, เนคขมาธาตุได้เชื้อมากมีกำลังแรงขึ้นครอบงมฝ่ายกรรมามธาตุลงไปแต่บางครั้งบางคราวก็สนุกสนานเพลิดเพลิน หันหลังให้ธรรมะไปเลยถ้าวิเคราะห์ตรวจสอบก็จะพบว่าเวลานั้นความรักใคร่ต้องการยินดีขวัญคว้าสแสวงหามีอานาจอิทธิพลครอบงำใจตัวเองมากในคำมัธยาแม้จะมีอยู่ก็ปรากฏไม่ได้เพราะถูกปิดเอาไว้ด้วยความรู้สึกนึกคิดในด้านตรงกันครับพลังทั้งสองประการนี้จะต่อสู้กันอยู่เรื่อยไป สาบ์ใดที่จิตใจของบุคคลยังไม่หลุดพ้นจากอำนาจของอารมณ์ในอํานาจของกิเลสไม่มีข้อควรแก่การวางใจว่าเราดำรงอยู่มั่นคงแล้วเพราะคนที่มั่นใจในตัวเองได้นั้นจะต้องเป็นพวกพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากว่ายังเป็นกัลยาณนะับปุตุชนแม้ได้ฌานรูปฌานรูปฌานอะไรก็ตามโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกลับกลายนั้นยังมีอยู่เพราะรมที่มากระแทกกระทันซึ่งบางครั้งบางคราวแก่อาจจะเพิ่มเชื้อในลักษณะแรงจนจิตใจสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองก็ได้มันเหมือนกับว่า บุคคลพยายามปัดกวาดเจ็ดถูบ้านจนจะสะอาดอยู่แล้วเผอภัยเข้ามาก็โดนคนอื่นโอโครนมาสาดใสา่บ้านก็สกปรกซึ่งก็ต้องขัดกันใหม่จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตราบใดที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์โลกนั้นพระพุทธเจา้าสอนให้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย คือจะเป็นอารมณ์จะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามบุคคลจะประมาทจะเผลอเรอจะพลั้งพลาดลงไปไม่ได้เพราะบางครั้งบางคราวเชื้อในด้านกรรมธาตุจะได้กําลังเพิ่มขึ้นแล้วทําจิตใจของบุคคลให้เกิดความสับสนได้เชื้อทั้งสองประการนี้เชื้อหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้ลดความรุนแรงไม่ให้ให้เชื้อเพิ่มแก่ แต่ว่าธาตุอีกด้านหนึ่งคือเนคขมธ า, าตุนั้นก็ทรงสอนให้บุคคลบำเพ็ญเพียรพยายามที่จะเพิ่มเชื้อให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมีกำลังต่อต้านอารมณ์และอยู่ท่ามกลางอารมณ์ของโลกได้โดยไม่ถูกอารมณ์โลกฉุดกระชากลากาพาไปมีความเป็นตัวของตัวเองได้พอสมควรและเพิ่มพนเพิ่มพูนให้ประสิทธิภาพในการประพฤติปฏิบัติสูงขึ้น จนบรรลุเ ป, ป้าหมายในฐานะนั้นๆอย่างแท้จริงต่อนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป